มันถ้าเป็นไปตามนั้นก็สามารถทำที่สุดแห่งทุก์ได้มันถ้าเราพยายามเข้าใจถึงว่าจุดมุ่งหมายและวิธีการของพระพุทธเจ้าได้เท่าไหร่ตามที่เราศึกษาเนติปกรณ์มาเป็นต้นเนี่ยจะช่วยให้เราศึกษาคำสอนได้โดยใช้เวลาไม่มากจนเกินไปเนี่ยนะเพราะพยายามจับเอาเจตนารมณ์ของพระตนะตรัยว่าพระองค์เนี่ยตรัสรู้อะไรและพระองค์ต้องการบอกสอนอะไรและพระธรรมทุกสูตรที่สอน พระองค์อยากจะรับบอกอะไรเราคําสอนทั้งหมดที่สอนเราต้องการบอกอะไรเราและสาวกที่ปฏิบัติตามะเข้าได้อะไรออกไปเขาได้อะไรกลับไปเพราะฉะั้นเราศึกษาคําสอนนั้นควรจะเป็นอย่างนั้นไม่อย่างนั้นเราจะได้อะไรก็ได้ปีใหม่ผ่านไปอีกปีหนึ่งเนี่ยนะคิดนะเ อ, อิมหมดไปเป็นปีเ อ, อิปีหนึ่งมันเร็วแท้เนี่ยนะปีหนึ่งก็ช่างวายแท้ แป๊บแป๊บหนึ่งก็หมดปีแป๊แป๊แบหนึ่งก็หมดปีอีกแป๊บหนึ่งก็หมดเดือนอีกแป๊บหนึ่งเนี่ยนะมันเร็วจนไม่รู้จะเร็วยังไงแล้วนะติดล้อหมุนเลยแหละพันวันเวลาที่เร็วผ่านไปอย่างนี้เนี่ยนะมันก็มีความสูญเสียค่อนข้างเยอะนะชีวิตของเราเนี่ยบุญเก่าที่นํามาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็สูญเสียไปเรื่อยๆมันถ้าสถานะความเป็นมนุษย์หมดไปแล้วเอาอะไรรับรองว่าเรายัางมั่นคงใน พระรัตนตรัยตลอดไปเนี่ยนะเพราะนั้นถ้าเราศึกษาคําสอนจนไม่เห็นพระรัตนตรัยในชีวิตที่เป็นจริงตลอดไปเนะี่ยก็ยากมากเพราะยังไงเสียาการปฏิบัติของเราให้นะนะมีเป้าหมายทิศมุ่งหมายก็คือทิศคือพระรัตนตรัยนั่นแหละนําไปในเบือเบ้องหน้ามีพระรัตนตรัยนําไปในเบื้องหน้าถ้าทําอย่างนั้นจริงก็มีจุดมุ่งหมายเดียวมีเป้าหมายเดียวคือ ทำที่สุดแห่งทุกนั่นเองแต่ย้อนกลับมาว่าการปฏิบัติของเรานั้นจะต้องเป็นไปตามมัชชิมาปฏิปทาคือเป็นเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปตามสัมมาทิฏฐิการกระทําที่ถูกต้องคําพูดที่ถูกต้องแล้วก็ความคิดที่ถูกต้องเป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าบอกทุกประการเชื่อเถอะพระพุทธเจ้าผู้มีความสามารถระดับนี้สัพพันยูขณะ น, นี้ถ้าท่านจะหลอกเราท่านจะท่านจะได้อะไรบ้างเอาเนะี่ย ก็เหมือนกับว่ามหาเศรษฐีจะไปหลอกจันทานทําอะไรเอา้าอาหารของเขาก็ตัวเอง ก, ก็กินไม่ได้เนนะไปคลุกคลีเกลือยกล้วอยู่กับพวกจันทานก็มอ่อะไรก็ไม่ได้เว้นไว้แต่จะเป็นไปเพื่อสองเคราะห์พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเทพเนี่ยนะถ้าท่านมาเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยท่านจะเอาอะไรจากเราท่านจะเอาไปทําอะไรเออเอาดอกไม้ดอกกุหลาบไปสักช่อหนึ่งบอกโอ้ยท่านจะเอาไปทําอะไรประดับก็ไม่ได้ผิดศีลเอาพระพุทธเจ้าเป็นต้นไม่ประดับดอกไม้เนี่ยนะไม่ประดับตกแต่ง มันสรุปแล้วเนี่ยนะเราก็ต้องพยายามกําหนดทิศ ท, ทางเหล่านี้ให้ดีๆเพมันเรียนมากเรียนน้อยเนี่ยนะถ้าเราเข้าใจเป้าหมายแล ะ, ะจุดมุ่งหมายของคําสอนนี่เราจะเรียกว่าคําสอนเนี่ยไม่มากเลยยิ่งเรียนแล้วทุกสูตรนํามาซึ่งปีติและโสมนัตเนี่ยนะนำมาซึ่งปีติและโสมนัตินำมาซึ่งความสุขเนี่ยนะสุขทั้งปัจจุบันและต่อต่อไปแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เราก็อย่าลืมว่าความเข้าใจในพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนั่นแหละเป็น สัมมาทิฏฐิชั้นเลิศแล้วนะเป็นสัมมาทิฏฐิที่จะนำออกจากทุกข์เหมือนการศึกษาพยายามศึกษาให้เข้าใจในคุณของพระตนะตรายเนี่ยน ะ, ะกลับมาที่จุลทุกขกขันธสูตรอีกครั้งหนึ่งที่บอกว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณ น, นิโครธารามเขตกรุงกบิลพัฒน์แคว้นสักกะในสักกะชนบทเนี่ยนะ ครั้งนั้นแลเจ้าสักยะทรงพระนามว่ามหานามะเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ พ, พระเจ้ามหานามะนี้เขาเป็นเป็นลูกอะนะของอ่าเป็นลูกพี่ลูกน้องของพระพุทธเจ้านี่นะคือเป็นลูกผู้น้องอ่ะนะเพราะว่าเป็นลูกของพระเจ้าอะไรสุกโกธนะเนี่ยนะ พระเจ้าสุโคทนะมีสองโอรสคือพระเจ้ามหานามะกับพระอนุรุทธะส่วนพระพระเจ้าสุโธทนะมีพระตถาคตกับพระนันทะนิย้อนกลับมาว่าพระพระเจ้านนัทอพระเจ้าอะไรเจ้าศักยะพระนามว่ามหานามะพระองค์นี้เป็นพระสกทาคามีเนี่ยนะเป็นพระสกทาคามี เป็นพี่ชายของพระอนุรุทธะพระอนุรุทธะเป็นพระอรหันต์ทีนี้เจ้ามหานามะเมื่อเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วก็ประทับนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เข้าใจข้อธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงมานานแล้วอย่างนี้ว่า โลภะโทสะโมหะต่างก็เป็นอุปกิเลสแห่งจิตรู้นะว่าราคะโทสะโมหะเนี่ยเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตอุปกรณ์ เ, เนี่ยแปลว่าสิ่งที่ทำให้ใจมันเศร้าหมองน่นะสิ่งที่ไปทำลายความผ่องใสแห่งจิตเรียกว่าอุปกเล์แห่งจิตสร้างความเดือดร้อนแห่งจิตเรียกว่าป่าประมิตรภายในฆ่าศึกภายในแพชฌฆาตภายใน ศัตรูภายในเรียกว่าเชื้อโรคภายในเรียกว่าโรคใจเรียกว่าตัวนี้ช้ทาให้ใจนี่เป็นไข้ทำให้ใจนี่มันอักเสบความอักเสบของใจนั่นแหละเรียกว่าความเศร้าหมองของใจหม่นหมองของใจขุ่นหมองของใจที่เราเรียกว่าอุปิีลสทั้งหลายนี่นะฟังเข้าใจมานานแล้วว่าราคะโทสะโมหานี้เป็น อุปกิเลสของจิตก็แหละเมื่อเป็นเช่นนั้นโลภะธรรมก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีก็ยังครอบงําจิตของข้าพระองค์ไว้ได้เป็นครั้งคราวเอแทงเห็นอริยสัจแล้วนะเห็นอริยสัจเนี่ยนะเห็นอยู่แล้วว่าโลภะโทสะโมหะนี้เป็นสมุทัยสัจเป็นเหตุแห่งทุกข์แล้วก็ได้ละไปแล้วด้วยทําไมหนอะมันยังครอบงําจิตตัวเองได้อีกเคยละไปแล้วนะ ทำไมยังยังมาเอาโอกาสยังมาครอบงําเราอีกพันฆ่าพระองค์เนี่ยเกิดความคิดเห็นอย่างนี้ว่าธรรมะชื่ออะไรเล่าที่ข้าพระองค์ยังละไม่ได้เด็ดขาดในภายในอันเป็นเหตุให้โลภะโทสะโมหะยังครอบงําจิตของข้าพระองค์ไว้ได้เป็นครั้งคราวซึ่งตอนนั้นเขาเป็นพระสกะทาคามีใช่ไหมพระสกะทาคามีเนี่ยนะทำ ร, ราคะโทสะและโมหะให้เบาบาง แต่ไม่ได้แปลว่าละได้หมดเลยดังนั้นการเห็นอริยสัจครั้งแรกละสกายติฐิวิจิกิจชาและศีลพัตะปรามมาริสยามัรชรยะทีนี้สกัฏ า, าคามีมักเนี่ยทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางแต่ไม่ใช่ว่าหายสนิทไม่ใช่ว่าดับสนิททีนี้เมื่อดับไม่สนิทแต่ว่ามันเบาบางนานๆจะเกิดสักครั้งหนึ่งนานๆอกุศลจะเกิดสักครั้งหนึ่งตอนที่อกุศลไม่เกิดเนี่ยนะหลายๆอย่างก็นึกว่าตัวเองนั้น ดับเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะอันนี้ในอัธกถาอธิบายเพิ่มเติมว่าในหน้า146เนี่ยนะนะที่บอกว่าอากุศลธรรมเหล่านี้เนี่ยนะคือราคะโทสะโมหนะเนี่ยท่านสำคัญว่า ละได้หมดด้วยสกธาคามีมัจคือท่านเห็นอริยสัจ ต, ตั้งสองครั้งทำกิจในอริยสัจเนี่ยนะทำกิจกําหนดรู้ทุกละสมุทัยทํานิโรธให้แจ้งเจริญโสดาปติมัจทำกิจกําหนดรู้ทุกละสมุทัยทําให้แจ้งนิโรธเจริญสกทาคามีมัจท่านก็สําคัญว่าเนี่ยได้สองมัจอย่างนี้ก็บรรลุมัจผลแล้วว่างั้นคือหมายคือว่าบรรลุมัจผลแล้วแล้วก็ละกิเลสได้อย่างสิ้นเชิงแล้วเพราะฉะนั้นพระราชาพระองค์นี้เนี่ยนะ จึงรู้ว่าอะไรที่ตัวเองละได้ไปบ้างแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรยังเหลือก็เลยถือเอาสิ่งที่ยังละไม่ได้สำคัญว่ายังคิดว่ามันละไปหมดแล้วคือสำคัญในสิ่งที่ยังไม่หมดว่าหมดทั้งทั้งที่มันเอางี้นึว่าใครเคยล้างภาชนะที่มีกลิ่นบ้างเอามาล้างออกเทออกแล้วก็ล้างส ะ, สะอาดแล้วก็บอกอสะอาดเรียบร้อยแล้วเอามาวางดมใหม่เนี่ยกลิ่นยังเหมือนเดิม เอาแต่ก็มองไม่เห็นแต่ก็ยังมีกลิ่นอายแห่งแห่งภาชนะเหล่านั้นอยู่เนี่ยนะไปล้างอีกรอบหนึ่งเสร็จแล้วล้างเสร็จแล้วนะเราก็มาคว่ำเอาไว้ใช่ไหมแห้งเสน็จหมดหมดปลอดภัยฮ้ายังมีกลิ่นอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะล้างอีกก็ต้องล้างตั้ง4ครั้งอ่ะนะหครั้งอนะ่ะนั่นแหละจึงจะปราศจากกลิ่นแท h, ้ฉันใดกลิ่นอายแห่งราคะโทสะและโมหะก็เหมือนกันเนี่ยล้างแบบใช้โซดาปฏิมาขัดจนหน้าดูเลยนะอา้าก็ยังมีกลิ่นอีก ใช้สกา่าทาคามีมักขัดมาแล้วเนี่ยก็ไม่เห็นเลยนะว่ามันมันจะงอกออกมาได้ยังไงเอายังมีอีกก็ต้องล้างด้วยอนาคามีมักแล้วก็อรหัตตมักล้างด้วยอรหัตตมักนั่นแหละเรียกว่ามักพรหมจันทร์ตบะและพรหมจันทร์ไม่ใช่น้ําแต่ก็เป็นเครื่องชําระต้องระดับอรหัตตมักนั่นแหละจึงจะชําระได้อย่างเด็ดขาดนั่นแหละทีนี้ไอ้วัตถุที่จะมองเห็นแบบเป็นชิ้นเป็นอันไม่มีแต่ว่าถ้าได้เหตุปัจจัยพร้อมมันก็ครอบงําเป็น ครั้งคราวอากุศลก็กลุ่มรุมเป็นครั้งคราวอันนี้ทีนี้ทั้งคนถามว่าเอ๊ะทำไมพระรยาสาวกยังสงสัยทำไมท่านยังสงสัยว่าท่านยังเหลือราคาโทสะโมหะอีกหรือก็บอกว่าที่เป็นอย่างนี้เพราะไม่ฉลาดในปริยัติไม่ฉลาดในบัญญัติไม่เข้าใจในหลักการคําสอนโดย สิ้นเชิงอย่าลืมว่าสมัยก่อนเขาไม่ได้ฟังมากแบบแหม่ทรงพระไตรปิฎกทำพีพิมพ์แพร่หลายแบบเหมือนพวกเราเเนี่ยนะมันทำมาทุกอย่างก็เหมือนอยู่ที่พระพุทธเจ้าหมดมันจะฟังสักสูตรสองสูตรสิบสูตรยี่สิบสูตรแต่ไม่ใช่ว่าถึงก็รอบรู้ไปทุกเรื่องไม่ใช่เพราะันท่านก็เลยยังเข้าใจผิดเรียกว่าสําคัญผิดเป็นบางส่วนเพราะไม่ฉลาดในบัญญัติขณะเดียวกันเนี่ยปัจจเวกขณะยานของท่านทั้งหมดก็ไม่ครบปัจเวกขณะยานปกติต้องมีห้า ต่อหนึ่งมร์นะโสดาปฏิมร์มีปั จ, จเวกขณะยานห้หนึ่งพิจารณากิเลส ท, ที่ละแล้ว2พิจารณากิเลส ท, ที่เหลือ3พิจารณามร์สีพิจารณาผล5พิจารณานิพพานะนะพิจารณากิเลส ท, ที่ละแล้วกิเลส ท, ที่เหลือก็คือพิจารณาสมุทัยสัจจะพิจารณามร์ ก, ก็พิจารณา มัคคสัจจะพิจารณานิพพานก็เป็นพิจารณานิโรสัจจะผลแห่งการแทงตลอดอริยมรตก็คืออริยผลสกกะทาคามีมัคพิจารณาได้สี่ขอไปสกะทาคามีมัคเนี่ยนะขอไปนะโสดาปฏิมัคพิจารณาหรือมีปัจจเหตขณะยานหสกะทาคามีมัคก็มีปัจจเหตขณะยานห้าอนาคามีมัคก็มีปัจจเหตขณะยาณห้าอรหัตตมัคก็มีปัจจเหตขณะยานห้าเอ่อสี่ ไม่มีพิจานากิเลส ท, ที่เหลือแล้วก็เลยเรียกว่าปัจเวกขณะยาณสิบเก้าของพระเรียเจ้าพระเรียเจ้าทั้งหมดมีปัจเวกขณะญานสิบเก้าอย่างเช่นพระพุทธเจ้าแบบเอาแบบสูงสุดเลยเนี่ยนะจะมีปัจเวกขณะยานทั้งหมดสิบเก้าหลังจากที่เสร็จกิจแล้วเนะนี่ยนะตัวในครั้งหนึ่งว่าโสดาปฏิมาภพอภยัยพระโสดาบันมีปัจเวกขณะญานห้าพระสกะทาคามีมีปัจเวกขณะยานสิบ พระนาคามีมีปัจเจกขณะญานสิบห้าพระอรหันมีปัจเจกขณะญานสิบเก้านี่ยนะทีนี้พระราชาพระองค์นี้เนี่ยนะไม่มีปัจเจกขณะญานทั้งหมดทั้งสิบถ้าท่านมีปัจเจกขณะยานสิบเนี่ยนะท่านจะรู้ว่ากิเลสเหล่าไหนที่ท่านละได้แล้วกิเลสเหล่าไหนที่ยังเหลืออยู่นิพมกไหนที่ท่านยังเจริญไม่เต็มมักไหนที่ท่านเจริญเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้ว อาอรยผลเหล่าใดาที่ท่านทําให้แจ้งแล้วอารยผลเหล่าใดาที่ท่านยังไม่ได้ทําให้แจ้งแต่เนื่องจากว่าท่านไม่มีปัจเจกคณะญาณครบทั้งสิทธ์นี่แหละท่านจึงไม่เข้าใจทั้งหมดเมื่อไม่เข้าใจทั้งหมดนี่แหละเป็นเหตุให้ท่านสำคัญผิดไปเนีย่ยนะสำคัญผิดไปนึกว่าได้จริงๆแล้วมันไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหมเคยทําอะไรไหมเคยทําอะไรแบบเอา้านึกว่ามันจะได้แล้วมันก็ไม่ได้อย่างนี้นึกว่ามันจะดีมันก็ไม่ดีเป็นต้นนีคล้ายๆแบบเนี้ยเพียงแต่ เข้าใจผิดไปแต่ความเข้าใจผิดนั้นน่ะยังไม่ถึงกับสร้างความเสียหายอะไรเนี่ยนะไม่ใช่เป็นความเสียหายอย่างแพ้จริงแต่ก็ถือว่าเป็นเข้าใจผิดนะเข้าใจผิดไปอย่างเช่นเออสิบโมงแล้วเราเข้าใจว่าเป็นสิบเอ็ดโมงใช่ไหมจริงๆเพิ่งสิบโมงอะนะแต่เข้าใจว่าเป็นสิบเอ็ดโมงหรือสิบเอ็ดโมงแล้วบางทีเนี่ยเพิ่งสิบเอดโมงเราก็เข้าใจว่าเป็นบ่ายโมงไปแล้วอย่างเงี้ยไอ้ความเข้าใจอย่างเงี้ยสร้างความเสียหายไหมมันก็ไม่เสียหายจริงๆอะไรหรอกเนี่ยนะ คื อ, คอใ น, ใ น, ในบางจังหวะเหตุการณ์ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายฉันใดนี้ก็เหมือนกันความเข้าใจผิดเนี่ยนะคือสำคัญผิดไปแต่ไม่ใช่มิจฉาทิฐิไม่ใช่มิจฉาทิฐิแต่อนุภาพของปั จ, จเจกขณะยาน น, ยน้อยน้อยไม่พอเพียงที่จะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะก็เลย เพราะอะไรเพะปัจเจกขณะยานของพาริย์บางท่านพิจารณาเฉพาะกิเลสที่ละแล้วเท่านั้นบางท่านพิจารณาเฉพาะกิเลสที่เหลือบางท่านพิจารณาเฉพาะมรรคบางท่านพิจารณาเฉพาะผลบางท่านพิจารณาพระนิพพานบางท่านพิจารณาหนึ่งอย่างบางท่านพิจารณาสอย่างบางท่านพิจารณาสอย่างหอย่างนะก็ไม่เท่ากันทั้งหมดพมันอนุภาพของการพิจารณานั้นไม่เท่ากันเพราะฉะนั้น อย่างพระอริยาสาวกเหล่าใดที่มีปั จ, จเจกขณะญานไม่ครบถ่วนตามที่กล่าวแล้วเช่นพระโสดาบันควรจะมีห้าพระสกะทาคามีควรจะมีสิบพระนาคามีควรจะมีสิบห้าพระทหารควรจะมีสิบเก้าใ่แล้วมันข้อใดข้อหนึ่งขาดก็เป็นเหตุให้สําคัญผิดไปแต่ไม่ใช่มิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิที่มันเสียหายมีโทษอะ น, นะเรียกว่าอนุภาพของปัญญาไม่พอนั่นเองวันท่านก็เลยไม่ฉลาดใน กิเลสบัญญัติหรือว่ามรรคไหนฆ่ากิเลสเหล่าไหนเนี่ยนะเช่นโสดาปฏิมรรคละกิเลสเหล่าไหนอนาคามีมรรคละกิเลสเหล่าไหนอรหัตมรรคละกิเลสเหล่าไหนละอย่างไรเป็นต้นอันนี้ความที่ไม่ได้ศึกษามาทั้งหมดโดยประการทั้งปวงก็เลยทําให้สําคัญผิดไปเนี่ยนะแต่ก็ไม่เรียกว่าวิปปล่าแบบแบบแบบในวิปปล่าที่จะต้องละนะหรือแบบทั่วๆไปแค่ได้ยินได้ฟังท่านก็เข้าใจแล้วว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะมัน ก็บอกว่าอะไรนะความสำคัญผิดอย่าไปอธิบายว่านี่คือมิจฉาทิตฐิของท่านนี่คือวิจิกิจฉาของท่านหรืออะไรเป็นต้นที่เป็นอกุศลละธรรมตัางหลายอันนี้ไม่ใช่ทั้งนั้นแหละ